ก็ชั่วโมงนี้ก็นั่งสบายๆเนาะนั่งสบายๆผ่อนคลายครับเดี๋ยวสักครู่เราก็มีจะมีฉายวีดีทัศน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเช็คแอนด์แดนซ์ให้โปรแกรมกายฟิสจิตเฟิร์มในโรงเรียนก่อนพิทักษ์ ที่กรุงเทพนะก็27ปีพ่อคูอยู่ที่ศูนย์พลานคอยนะพ่อ ก, กูก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันก็สุดท้ายต้องจบอยู่ที่การศึกษายุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนแต่ตอนนี้การศึกษาเราจะเป็นเน้นที่ วิชาการเพื่อเป็นวิชาชีพไม่ใช่เรื่องผิดนะตอนนี้ทุกคนต้องมีวิชาชีพแต่มันหนักเกินไปเทลงไปมากเกินไปวิชาชีพนี่อาชีพนี่อาศัยอย่างชีพคือเป็นหนึ่งใน8ข้อเป็นเครื่องมือเดินทางเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์เราต้องมีอาชีพแต่ตอนนี้เราไปทุกข์กับอาชีพธรรมดาอาชีพต้องแก้ปัญหาชีวิตเราให้เราอยู่ได้แต่ตอนนี้เราเอาชีวิตเราไปทุกข์กับอาชีพ นะก็เมื่อเช้านั้นก็พูดพูดไม่จบที่ชาวต่างชาติมาคุยเขาอยู่เาเป็นครูสอนโรงเรียนนานาชาติแถวนี้เลยเขาก็แลกเปลี่ยนนะเราพูดเรื่องการศึกษาเขาก็บอกมีสามข้ออะไระแก้ปัญหาสังคมเรืออะไรอะไรปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีการแก้ปัญหาชีวิตเลยเพราะครูวิชาแรกที่มนุษย์ต้องเรียนก็คือวิชาชีวิตนะนี่คือโปรแกรม Search i n s i d e yourself เป็นโปรแกรมเนี่ยเราจะมีหลายอารมณ์นะสเวอร์ชันนี่ก็ช่างแต่ทุกเวอร์ชันดึงให้เรามาอยู่กับตัวเองทั้งหมดนะไม่ใช่นั่งหลับตาฝึกแค่สมาธิเฉยๆแล้วก็ไม่เห็นอารมณ์ตัวเองไปกดอารมณ์ตัวเองนะอันนั้นก็เป็นวิชาหนึ่งแต่สิ่งที่เราทำคาว่ามรรคนี่ไม่ใช่วิชามรรคเป็นเป็นทางเดินพวกไปสู่การพ้นทุกนะเราต้องรู้เห็นความจริงว่าเออเราเนี่ย เป็นอย่างไรนิสัยอย่างไงมีกิเลสอะไรมีอารมอย่างไงร่างกายเราแข็งแรงไหมเออทำไมมันไม่แข็งแรงต้นเหตุสาเหตุที่มันทำให้มันแข็งแรงคืออะไรนะปัญญาที่แท้จริงต้องรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งคือรู้รอบทุกวันนี้วิชาการเรารู้อย่างเดียวตรงดิ่งแบบนี้นะนะเหมือนเราถามว่านาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเนี่ยนะ นาฬิกานี่เลขสูงสุดเท่าไหร่หลายคนตอบว่าเลขสิบสองผูู้บอกใช่เหรอจากเลขหถึงเลขสิบสอนี่กี่นาที เ, าเด็กก็ตอบว่า30นาทีครับใช่ไหมแล้วเลขหกถึงเลขหนี่กี่นาทีเห็นไหมกี่นาที60สินาทีไหมใครมากกว่ากันสูงสุดคืนสู่สามัญอันนี้เรียกว่ารู้รอบแต่การศึกษาเราทีลสะสเต็ปสเต็ปสูงสุดก็รู้ปริญญาเอก ไปขึ้นตัวเลขที่สิบสองพอเลขสิบสองนี่กลัวตกนะมันมีอัตราตัวตนแล้วเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างไม่ได้เห็นกลายเป็นความรู้เนี่ยแทนที่ปลดปล่อยให้เราพ้นทุกความรู้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันกลายเป็นเพิ่มทุกข์ให้เราคือสร้างอัตรานะที่อาจารย์พุทธทาสเน้นเรื่องนี้บ่อยๆว่าการศึกษาหมาหางด้วนมันไม่ครบอง นะวิชาการการศึกษาก็เป็นวิชาแต่และคนเรียนวิชาที่ตัวเองไม่ชอบมันเป็นกลางๆอยู่ที่ว่าเราจะเอาวิชานั้นไปทำอะไรนะเมื่อวานพักกูถามชาวต่างชาติสำคัญเราต้องรู้ว่าเราเรียนเพื่ออะไรก่อนนะนะมเราหวังดีเนี่ยหรอเรามีอุดมการเราเรียนเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมอะไรเนี่ยสังคมคืออะไรรู้ไหมนะตอนนี้สิ่งแวดล้อมเสียหมดก็คืออะไร สิ่งแวดล้อมที่สําคัญยี่สคือมนุษย์มนุษย์สะอาดจะทําให้สิ่งแวดล้อมสะอาดมนุษย์สกรปรกทําให้สิ่งแวดล้อมสกรปรกสิ่งแวดล้อมที่สําคัญยี่สคือมนุษย์นะเนี่ยศูนย์พัฒนามนุษย์พอ ก, กูปแปกเมื่อเช้าก็เดินช้ามื้อก็เดิน เ, เจ้าของที่นี่อันดับแรกจิตต้องเปเป็นกุศลนะ พราะกิจกรรมที่ทําอยู่มีแต่กิจกรรมที่จะคิดสร้างสรรค์พัฒนามนุษย์เริ่มจากมีโรงเรียนมีศูนย์พัฒนาเนี่ยจิตหรือว่าลูกเสือที่ศูนย์พลานคอยเรามี3ามศูนย์ศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทองศูนย์สมองก็คือโรงเรียนสมองเราต้องพัฒนาไปด้วยเรามีสองโรงเรียนตั้งแต่นุบาลจนถึงมัธยมเด็กประมาณ800รคน ศูนย์จิตใจเรามีศูนย์พัฒนาจิตศูนย์ปากท้องเรามีเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขาย3าศูนย์นี้เอื้อประโยชน์กันนะถ้าจิตซึ่งมุ่งหาแต่เรื่องผลประโยชน์ประโยชน์ไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้นะไม่มีเวลามาคิดเรื่องว่าเอ๊ะจะทําอะไรเพื่อจะใหะ้ช่วยเหลือสังคมการสร้างสังคมที่ดีที่สุดคือสร้างมนุษย์มนุษย์ไปสร้างสังคม มนุษย์ไปสร้างประเทศนะพระครูถึงเน้นเรื่องเด็กๆนะเดี๋ยวสกู่เราถ่ายเราฉายให้ดูโรงเรียนกรพิทักษ์ที่ว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยเขามีเด็ก 6,000 กว่าคนครู500นะแต่ครู500อนี่มาปฏิบัติหมดละตอนนั้นไปที่ศูนย์ใหญ่ดกรก้อยไปปฏิบัติพวกครูเอาจริงเอาจังเป็นผู้หญิงเหล็กตอนนี้คนเก่งมีเยอะในโลกนี้แต่คนกล้าไม่ค่อยมี กล้าที่จะให้นะพอเขาไปนับดูแล้วศูนย์ตอนนี้เออศาลาคือศาลาที่นว่นนั่งทักปฏิบัตินั่งแบบเงียบๆเนี่ยเป็นพันๆคนนะแต่ถ้าแนวเราเนี่ยนี่เห็นไหมร้อยคนก็เต็มแล้วที่นว่นก็อยา่างมากได้แค่300ก็เลยนั่งเครื่องบินสองลำเนี่ยเอาครูไปไปปฏิบัติในป่านั้น300รอคนและอีก200คนเป็นภาคบังคับว่าต้องไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพ ทยอยกันไปอันนั้นรับได้วันหนึ่งสามี่คนถ้าครูคนไหนไม่ปฏิบัติก็คือออกและตอนนั้นออกไป20สคนแกบอก20กับ500เนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่ำมากถ้าอยู่ในองค์กรนั้นไม่ซื่อสัตย์ไม่ตั้งมั่นไม่ทำตามนโยบายก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะเอาเป็นว่าเราคิดต่าง ถ้องค์กรหนึ่งมีนโยาบายแล้วทุกคนไม่มุ่งมั่นซื่อสัตย์ตั้งมั่นกับนโยาบายมันจะสําเดชได้อย่างไรเนี่ยพ่อครูเจอคนเก่งมาเยอะแต่เจอคนกล้าน้อยมากนะแค่เทอมเดียวเนี่ยด็กเรก้อยเอาอยู่หมดนะแกบอกเด็กตั้งแต่สามขวบจนถึงครูปริญาเอกนั่นเอาอยู่หมดัดแกบอกเหลือคนเดียวเอายังไม่อยู่มีพ่อครูเท่านั้นที่จะช่วยแกได้คือคุณพ่อ พ่อครูก็ไปนั่งทานข้าวคุณพ่อแค่มื้อเดียวคุณพ่อก็เดินตามพ่อครูมาเช็คกิ้งต้องเข้าใจนะผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่เขาวอาผู้ใหญ่เนี่ย อ, อัตราท่านก็เยอะด้วยไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นสัญชาตญาณเธอเป็นลูกฉันเธอจะมาสอนท่านได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะทีนี้สังคมไทยเราต้องรู้จักคารวะให้เกียรติกันนะเออก็คุยกันรู้เรื่องเนี่ยคนไทยทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องนะ ก็ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ติมานะเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบนะสังคมมันสอนให้เราเราไม่อยากเห็นแก่ตัวหรอกแข่งขันเสรีเนี่ยใครคิดบ้างฉันจะแข่งเพื่อจะแพ้เคยมีคนวิ่งร้อยเมตรบอกว่ามาวิ่งแข่งกันไหมใครจะช้าที่สุดไหมมันจะเอาเร็วเขาว่าใช่ไหมล่ะทุกคนก็เกิดวิตกจริตกลักวจะแพ้เนี่ย เห็เราถูกใส่ข้อมูลว่าต้องชนะถึงจะดีแพ้ไม่ดีเนี่ยนะมันก็กลายเป็นมิตรตกิตทุกคนกลัวเสียเปรียบนะกลายเป็นอุปทานขึ้นขึ้นมานะแม้กระทั่งได้ยินอยู่บางคนฉันกําลังหมุนดีๆอยู่มาถ่ายรูปฉันเนี่ยฉันก็หลุดเลยเนี่ยส่วนมากเราจะไปโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะเธอเธอเนี่ย ท, ท, ทำให้ฉันหลุดคนที่หลุดคือเราหลุดเองเห็นไหมเรามีอัตราตัวตนเราไม่ชอบ นะไปทําสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นเพราะเธอทําไม่ชอบเนะี่ยฉันถึงไม่สบายใจนะเป็นเพราะเธอดา่าฉันนะ่ะฉันถึงทุกข์จริงๆแล้วเขามีปากเขาก็ดา่าเรามีหูก็ได้ยินเรามีสิทธิ์ไม่มาทุกข์แค่ไม่แ้อามาคิดก็พอนี่แหละคืออุปทานเรานะต้องฆ่ามันให้ได้ไอ้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฆ่าอุปทานนะมีผ้าผู้ใหญ่นะอาวุโสมากไปอยู่กับพ่อครูหลายปีก่อนท่านซุ่มเงียบปฏิบัตินะท่านมียานนั่นแหละ ไปศูนย์เมื่อไหร่ท่านก็เห็น น, นู่นนี่ครั้งสุดท้ายท่านท่านมันบอกลุสิตท่านท่านบอกโอ้ที่ศูนย์พระครูนี่เห็นเขี่ยวนะเขี่ยวเล็บกองเต็มไปหมดเลยทำไมรู้ไหมก็บอกที่นี่พรอครูถอนเขี่ยวเล็บของอัตตาขอให้มีศรัทธาเป็นที่ตั้งอย่าเพิ่งมีทิฏฐิมานะนะการ layanamit เป็นที่สุดแห่งพ ม, มจันท์ใครก็ทาง ก็ช่างทําให้เราเห็นอารมณ์เราเนี่ยรีบถือดอกไม้ทูบเทียนไปกราบเขาสวยๆซะอย่าไปโทษเขานี่คือคนฉลาดโอเคไหมก็เรามาปฏิบัติเพื่อลดอัตราไงไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเพื่อรักษาอัตตานะนะกระทบต้องไม่กระเทือนเขาด่าเรากระทบหูจบดับที่หูไม่กระเทือนใจเห็นไหยแล้วเวียงๆอยู่มันมาถ่ายรูปมันมารบกวนฉันเขาไม่ได้รบกวนซะหน่อยหนึ่งเห็นไหมเรา ถูกตัวนั้นกระทบแล้วก็กระเทือนเราเผอเองนะเหวี่ยงทิ้งโอเคนะตอนนี้ก็แก้วทิพม่าเปิดไหนละหายไปไห น, น <c oughs> เราเราดูวิซีอาไปพร้อมๆกันนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวงการการศึกษาเขาเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ได้อย่างไรไม่นั่งดูแฟนกันเลยโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ดูอย่างไร โ okay, okay, อเคโอเครอก่อนเดี๋ยวเห็นบอกว่าอ า, อาจารย์หม่อมจะให้เกียรติมาชมวันนี้กับเราก็พก่อครูก็บรรยายด้วยเปิดดูพร้อมๆกันเพราะว่าท่านสนใจท่านก็มีโรงเรียนนะโรงเรียนนะ่ะเราพ่อครู เ, เรียกว่าศูนย์สมองนะมนุษย์เราขาดอย่างนีงอย่างนีง้ไม่ได้ไม่ใช่ไปเรียนวิชาการวิชาการนะนะไม่ใช่เอาสมองอย่างเดียวจิตวิญญาณ น, นี่เครียดมากอะไรเนี่ยดัางกายเดี่ยงอ่ โอเคจิตวิญญาณดีสมองดีไม่มีข้าวกินมันก็เดี่ยงเหมือนกันน ะ, ะศูนย์ปากท้องต้องมาด้วยนะเราถึงมีอาชีพไงไปด้วยกันไปด้วยกันนะ <c oughs> มาละแก้วไม่ช่คือวิชาการตอนนี้แยกส่วนนะคนนี้วิทยาศาสตร์คนนี้คณิตศาสตร์คนนี้นาาคณะนว่นคณะนี่ เพื่อเป็นอาชีพฝ่ายเดียวเราก็เลยติดนิสัยมองอะไรแบบแยกส่วนนะจาแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยะ ก, ก็ยิ่งสับสนสับสนไปทั้งหมดเลยของเธอของฉันอาชีพเธออาชีพฉันแต่ในทางสายธรรมเนี่ยจำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมรักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่าง <c oughs> วินาทีที่พ่อคูเกิดสามชั่วโมงนั้นเกิดอาการระเบิดเนี่ยนะพ่อคูไม่รู้เรื่องศาสดาเลยแต่จิตเดิมมาสอนพ่อกรูอยู่ๆอะไรมาสอนรู้ไหมนะเอาเรื่องมรคมาสอนพ่อครูทำมรคให้เป็นหนึ่งจิตมันบอกจิตปัจจุบันไม่รู้หรอมกมรคคืออะไรรู้แต่มรคมากมรคผลไม่รู้รู้แต่มรคมาก นเท่าไรก็ไม่พอวินาทีนั้นมันบอกมักมีองคแปดทำมักให้เป็นหนึ่งเอา้ตาตามตามตรกะเราก็บอกว่าเอามัคมันมีแปดแล้วทำเป็นหนึ่งได้ยังไงฮะพอพิจารณาปุ๊บเนี่มันวาดขนมเ ค, ค้กก้อนหนึ่งเขาแบ่งเป็นแดชิน้นนะคนนี้เดินมาแจากแจกแจกแจกแจกจนหมดปุ๊บนี่ความว่างเป็นหนึ่ง นี่คือทำมักให้เป็นหนึ่งเป็นอย่างเดียวเท่านั้นคือเราต้องไม่เหลืออะไรเลยความว่างเป็นหนึ่งเนี่ยจำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างความว่างเป็นหนึ่งเดียวละ่ะเราว่างจากตัวตนว่างจากของเธอของฉันนะเป็นหนึ่งมาโอเคคือ โอเคนะตอนนี้ตอนนี้ได้ได้เวลาก็ก็ดูวิศัยกันครับเออต้องเรียนเชิญท่านผู้นำมานั่งแลกเปลี่ยนกันหน่อยผู้นำนี่สำคัญนะนะถ้าเกิดผู้นำเนี่ยไม่เปิดทางเนี่ยผู้ตามไม่มีโอกาสนะตอนนี้พระกูจะมาแลกเปลี่ยน อันนี้แก้วที่เพิ่งได้รับเมื่อคืนด็กเตอร์ก้อยส่งมาให้พราครูก้เพิ่งดูครั้งแรกนะเมื่อกี้ก็พูดว่าคนเก่งในโลกนี้มีเยอะมากแต่คนกล้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครูก้อยนี่สุดยอดเป็นหญิงเหล็กนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะ27ปีพกก่อครูก็ทํามาเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ครูก้อยเนี่ยมารับภาระตรงนี้ เขาเ็ามีถ่ายนะลโรงเรียนเขาสวยที่สุดในประเทศไทยนอ ย, ยังกับดิสนีย์เวิลด์ไม่ใช่มีสาวา่าน้ำมีอะไรมีสวนน้าให้เด็กเล่นด้วยคืออะไรที่เด็กต้องมีเนี่ยเขาเนรมิตให้หมดเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ทำเพื่ อ, อธุรกิจอะไรมากมายคือทำแล้วก็ให้เด็กนะแล้วก็นี่เหมือนเป็นศูนย์วิจัยนะตั้งแต่อายุสามขวบจนทนจบด็อกเตอร์นะปฏิบัติร่วมกันแล้วก็แผ่ซ่านตรงนี้เข้าไปถึงครอบครัวนะ เราเราเอาเด็กเนี่ยเป็นเป็นสะพานเชื่อมพ่อพ่อแม่ทุกคนก็รักเด็กนะถ้าเด็กมันเต้นแล้วพ่อแม่ไม่เต้นก็อายเด็กเนาะตอนนี้เด็กไปสอนพ่อแม่หายจากโรคไครไข้ขเจ็บนะพ่อครูก็ถึงเวลาแล้วล่ะนะต้องมาช่วยกันนะเราเปลี่ยนโลกไม่ได้เราเปลี่ยนโลกไม่ได้เป็นแนวความคิดคนในโลกนี้ไม่ได้โดยเฉพาะทุนนิยมแข่งขันเสรีนะแต่เราเปลี่ยนตัวเองได้อย่างน้อยเราเป็นคนไทย พ่อครูกกต้องการเห็นทุกโรงเรียนเด็กๆทุกคนมีโอกาสใช้เครื่องมือนี้ที่ว่า s n d อคือเช็คอัพโยมั n แดนเซอร์ไไม่ใช่เรื่องกายภาพอย่างเดียวจเจริญกายคตาสติอย่างเดียวหรือกายอย่างเดียวไม่ใช่เวทนาจิตธรรมอยู่ในนี้หมดมันเป็นมหาสติปัฏฐานนะแต่เรา ให้มันทันยุคทันสมัยไม่ต้องไปพูดภาษาศาสนามันจะไปขัดแย้งกับศาสนาอื่นโรงเรียนครัก้อยมีทุกศาสนาเป็นสากลนะแล้วตอนนี้เนี่ยปีดึงที่ผ่านมาแกบอกแกทุกคนในโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผ่านโรงคนขับรถนะรถตู้รถตู้แกเป็นร้อยๆคันคือไปรับส่งเด็กนะงานเขาใหญ่มากก็ ก็คุณพ่อแกก็อบอกคุณพ่อแล้วก็พี่ชายดอ็อร์เก่งที่ทําโปรแกรมติวเตอร์168เป็นบริษัทเดียวในบางไทยตอนนี้ซึ่งส่งไปหลายโรงเรียนต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกนะตอนนี้โรงเรียนศูนย์พ่อคูก็ใช้เขาเมตตามาให้เพราะว่าไม่มีครูเก่งๆวิชาการจะไปอยู่ในป่ากับพ่อครูไม่มีแล้วเป็นเรียนศึกษาสงเคราะห์เราไม่มีเงินที่ไหนจะไปจ้างนะแต่วิชาการเราไม่ปฏิเสธเราก็เลยมีเครื่องมีต้นมือตรงนี้เข้าไปช่วย นะเขาเอาติวเตอร์168คนที่ที่เก่งๆในเมืองไทยมารวมอย่ในนั้นแล้วก็เอาเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่สอบเข้ามหาลัยดังๆได้ที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็มาติวนะเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขามีทางเลือกนะเพราะครูลองอยู่แล้วเนี่ยหลายเดือนได้ผลมากนะไปชดเชยกับ คเก่งๆวิชาการสำหรับรครูแล้วไม่ให้ในัยยะไม่ให้ความสําคัญแต่การที่เด็กมันจะต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาประเมินด้วยวิชาการเขาไม่ได้ประเมินว่าเด็กคนนี้เป็นคนดีไหมมีพฤติกรรมไม่รับผิดชอบไม่ไหม้เขาเอาข้อมูลทางวิชาการมาประเมินเอาแต่คนเก่งๆวิชาการนะแต่เราก็เปลี่ยนสังคมนั้นไม่ได้เราก็เดินสายกลางเมื่อต้องการให้เด็กเราเนี่ยมีหลายสาขาอาชีพเด็กหลายคนอยู่กับครูบอกว่าถ้าเลือกได้หนูไม่เรียนได้ไหมนี่ไอ พรากูมีมห้าปีหน้าขึ้นมหกนะพรากูเตรียมให้มันปีหนึ่งแล้วมันว่านูอยากอยู่รับใช้พ่อครูรับใช้พ่อครูต้องเรียนลูกถ้าใช้แรงงานพ่อครูเนี่ยแรงงานพ่อครูเยอะแยะเลยนะเราต้องมีหลากหลายสาขาอาชีพมาช่วยกันเด็กเขาเรียนเพื่อพ่อครูนะจริงๆแล้วมันมันฉลาดแล้วมันไม่อยากเรียนถ้าเด็กเบี่ยงเยอะๆมันจะฉลาดมันจะไม่อยากเรียนไม่รู้เรียนไปโง่ทําไมเรียนจบด็อกเตอร์แล้วมานั่งคุยกันไม่รู้ภาษาแต่ยุคนี้เราไม่เรียนไม่ได้ เราต้องรู้เท่าทันโลกมันเป็นอย่างนี้มันดีก็ช่างมันไม่ดีก็ช่างนะเราต้องสอนเด็กให้รู้เท่าทันโลกอยู่กับโลกให้ได้แต่ไม่ต้องไปตามโลก follow is mean behind ตามไปว่าไม่ทันตามไปว่าทาตเราเป็นไทยอยู่พ่อครูหวังนึกๆไอ้เครื่องมือตรงนี้จะดึงคนไทยกลับมาเป็นคนไทยนะเราเริ่มจากเด็กก่อนไม้แก่ดัดยากแน่นอนแต่ถ้าวิธีนี้เนี่ยถ้าคนแก่ลดทิฏฐิมานะหน่อยหนึ่งก็เปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้เลยครับอายุ90ปีก็เต้นกับพวกครูสาขวบเต้นด้วยกันแล้วไม่แยกชั้นมนะัธนาไม่แยกลัทธิศาสนานะสูนง์กรุงเทพเรามีทุกศาสนามาปฏิบัตินะ่ fit and firm, นะฟิตแอนด์เฟิร์มเนาะกายฟนะิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะเราต้องเรียนเพื่อชีวิตไม่อยาชีวิตไปทุ่มเทให้การเรียนเพื่ออนาคตนะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนโลกไม่ได้ละความคิดแบบนี้เราเปลี่ยนครับไม่ได้แต่เราทำเท่าที่เราทำได้เริ่มจากประเทศไทยก่อน ตอนนี้ทางเมืองนอกพวกคูเคยอยู่อเมริกาเมืองจริงก็มาเชิญพวกคูพวกบุกเดี่ยวนะพวกคูหยุดไม่ต้องทำอะไรแต่ตอนนี้เรามาดูแลบ้านเมืองเราก่อนนะนี่คือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนให้คนไทยเนี่ยดึงคนไทยกลับมาเป็นคนไทยไม่ต้องทำอะไรมายืนสซันมาเช็คนี่แหละนะคือดึงให้เรามาอยู่กับตัวเองตอนนี้เด็กๆนี่เขาพึ่งอะไรรู้ไหมนั่งเป็นวันๆเลยไปเล่นเกมอย่าัืมคิดว่าเขามีสมาธิเล่นเกมเขานิ่งนะเขาไม่ได้นิ่งเลยนะเกมมันเปลี่ยนตลอดเด็กเป็นสมาธิสั้นหมด ความสุขของเขาต้องเกิดขึ้นจากพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยพึ่งตนเองเลยเป็นสมาธิสัน้นและโปรแกรมนี้เนี่ยเด็กซึมเศร้าเด็กสมาธิสั้นแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาหมดนะแล้วครอบครัวหนึ่งมีความสุขด้วยกันไม่ต้องไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พอไปเที่ยวแล้วก็ทะเลาะ ก, กันอีกนะ เพราะคนหนึ่งชอบอาหารฝรั่งคนนึงชอบอาหารจีนแค่นี้ก็ทะเลาะกันเลยนะคนนึงชอบดูหนังอย่างนี้คนดยวนึงนก็ทะเลาะกันเลยนะเราไปพึ่งข้างนอกเราไปหาความสุขข้างนอกแต่พอโปรแกรมนี้เข้าไปในแฟมิลีแล้วเนี่ยทุกคนมีความสุขด้วยกันโดยไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็สุขภาพร่างกายก็ได้ด้วยนะอิโมชันดีท็อปรับสมดุลทางอารมณ์ด้วยนะกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะก็ตอนนี้ดรก้อยเหมือนทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ย แกพร้อมมากแกวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ติดตามผลนะมีทุกวัยอยู่ในนั้นนะแกขอระคุยอีกเทอมเดียวตอนนี้จะเอาผู้ปกครองแกบอกว่าผู้ปกครองกับเด็กกับโรงเรียนต้องไปในแนวเดียวกันต้องเข้าใจอย่าเป็นเน้นวิชาการก็ไม่ทิ้งนะตอนนี้วิชาการโรงเรียนก่อนพิทักปีนี้ก็เข้าหมอได้หลายคนหมอมกุดก็เข้าได้พระมกุดนะ วิชาการเขาก็โอเคเด็กมันยิ่งปลอดโป่งเท่าไหร่มันเรียนรู้ได้อะไรเต้เต็มๆนะไม่ใช่ไปค เ, เคร่งเครียดอ่านไปท่องจำเปเรียนแบบเป็นนักเรียนแบบวิชาคนอื่นนะอันนี้แกเข้าเอาปัญญาตัวเองเนี่ยวิชาการเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะก็พวกเราต้องช่วยกันนะเริ่มจากช่วยกันก็คือว่า เอาตัวเองให้แตกฉานเข้าใจชีวิตก่อนเมื่อเราไม่เข้าใจชีวิตเราจะไปสอนให้คนอื่นเข้าใจชีวิตได้อย่างไรนะนี่แหละเป็นโปรแกรมที่ดึงให้เรามาอยู่กับตัวเองการนั่งสมาธิสติก็เป็นก็เป็นอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาเซี่ยวนิดหนึ่งเนี่ยไปฝึกสมาธิสติเพื่อให้มันมีสติมีสมาธิสงบชั่วคู่แต่ปัญญาไม่เกิดนะไอ้แนวนี้คือกายเวทนาจิตทำไปมันก็นหมดเราจะเกิดปัญญาด้วยตัวเราเองนะ เพราะูบอกแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไม่ต้องถือศีลห้ามันหนักเวียนทิ้งเราจะไม่ทำชั่วแน่นอนศีลคือความปกติของจิตเริ่มจากเราเป็นนักการเมืองนักอาชีพนักนักนักเราไม่เป็นคนแล้วนะนะเกิดมาเป็นคนแทนที่จะพัฒนาคนเป็นเป็นมนุษย์ผู้เปรตเป็นเป็นพระอรืยากบุคคลเราพัฒนาเป็นคนเนี่ยเป็นนักนักการอาชีพเท่านั้นเองแล้วก็ถูกให้แข่งขันนะ พอเรามาเต้นปุ๊บเราดึงกลับมาเป็นเราเป็นคนก่อนแล้วพัฒนาจากคนเนี่กลายเป็นมนุษย์ประเสริฐมุ่งไปสู่ความเป็นอริยะบุคคลนะดำเนินไปเรื่อยๆไม่มีตันเราเข้าถึงนิพพานได้จากสิ่งนี้นเหมือนเรามีรถยนต์ละเรามีเครื่องมือแล้วเราก็ขับไปอยู่ที่ว่าเราจะขยันขับไหมระหว่างทางเรา เ, อเจออุปสรรคแน่นอน เห็ไหมครูคนหนึ่งบอกว่าเวียงเวียงปุ๊บเหมือนปวดเหมือนว่าฉันเป็นเนือผ้าหรือเปล่าลุกขึ้นมาคงไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาช่วงที่เราเข้าไปในจิตมันเป็นการรับนิยกรรมมันเรียกว่าธรรมลมเราเจ็บปวดจริงๆแต่มันไม่จริงเราเห็นนิมิตจริงๆแต่มันไม่จริงสิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานนั่งนั้นแหละไอ้ที่เราเจ็บปวดเป็นอุปทานมันเป็นนิยกรรมที่ให้จิตต้องรับกระแสเจ็บนั้นเราได้จ่ายจริงๆไงจ่ายด้วยความเจ็บปวด แต่พอออกจากกรร ม, มาฐานแล้วมันหายไปไหนเอาถ้ามันเจ็บจริงๆรมันต้องไม่หายสิพอไปกินข้าวกลับมานั่งใหม่ถ้าโปรแกรมกรรมมันไม่หมดมันเป็นอีกเจ็บอีกนี่คือจ่ายหนี้กรรมทางจิตกรรมเก่าบวกกรรมใหม่คือผลบุญเก่าบวกบุญใหม่คือผลเราหนีกรรมไม่พ้นนะอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สมมติว่าทีนี้กรรมมันมีอย่างนี้มีความประพฤติทำดีๆทำชั่วๆเป็นพฤติกรรม แล้วมันมีเงื่อนไขเวลามีท ม, มิ่งถ้าเวลาไม่ถึงทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ส่งผลนะและอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องสถานที่ก็เกี่ยวพวกครูใช้ชีวิตอยู่อเมริการะเบิดที่นูน้นแล้วทำไมถอยกลับไปอยู่ในป่านี้นะมันไม่เกิดขึ้นลอยๆมีสตีมาจากฝรั่งเศสสองท่านบ้ายก็ไม่เป็นไม่รู้ศักาสนาพุทธเป็นคนเอเชียแต่ไปเกิดที่นูน นะเพื่อนฝูงมาเที่ยวเมืองไทยก็ได้ยินข่าวว่าครูแกไปอุบล น, นะพอนั่งเข้าไปในจิตปุ๊บนี่คนนึงเลือเล้อยเลื้อยมาหาอีกคนหนึ่งคนนึงก็เป่าใหญ่เลยลูกผัวใหญ่เลยนะอีกชั่วโมงนึงแยกไปนั่งข้างหลังเนี่ยเขาก็เลื้อยมาหากันนะแล้วตอนเข้าก็มาฐานไหว้สวยมากชาตินี้ไหว้ไม่เป็นไม่รู้จักพุทธจิตเดิมเขามีอยู่แล้วทีนี้เขาก็แวบเห็นว่าเฮ้ hey! คนนึงเคยเป็นแม่งูคนนึงเคยเป็นลูกงูอยู่ตรงศูนย์พ่อครูทําไมพ่อคูต้องไประเบิดที่อเมริกาทําไมพ่อคูต้องมาอยู่ในป่านั้นถ้าถามปุ๊บเราจ ะ, าจะงงไม่ถ้าถามด้วยเหตุผลเราจะงงเป็นไปไม่ได้นะมันมีเหตุของมันอยู่นะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดพ่อกรูค้าคอมพิวเตอร์ที่อเมริกามาพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษไล่หนีไปหลายคนเราไปไกลๆ นะหลับหูหลับตาเกิดปัญญาได้อย่างไรนะพอเราเกิดอาการระเบิดแล้วเราจําได้เลยเคยไล่ใครไปบ้างลูกน้องนะนะไปกราบขอโทษเ้าหมดบางทีเราคิดว่าเรารู้แล้วก็รู้แค่เรารู้นั่นแหละหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชานิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งซึ่งบังเอิญไปค้นพบความจริงในบางอย่างของธรรมชาติานั้นเองแต่ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ไม่ได้ผิด นะพระพระุทธองค์ก็สอนแบบวิทยาศาสตร์อย่าพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าพึ่งปฏิเสธนะท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถากดไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นเราฝึกสติแล้วก็มีสติแล้วฝึกสมาธิก็มีสมาธิแต่เราไม่มีปัญญาเราก็ใช้สติไปไปควบคุมมันเฉยๆนะถ้าเราคุมอารมณ์ได้ กิเลสก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกก็ไม่เกิดวินาทีนั้นเราก็เป็นแค่คนไม่ทุกแต่เรายังไม่พ้นทุกเพราะเราไม่ได้ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเราไม่ได้ไปสะสางคดีความนะอันนี้ก็เข้าใจนะส่วนที่เราปฏิบัติแล้วโครคภัยไข้เจ็บเราหายเราดีขึ้นนะมันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองนะเมื่อเราเป็นหนี้เราจ่ายหนี้เราก็หมดหนี้เห็นไหมล่ะไปจ่ายหนี้ที่ไหนก็หมดหนี้ นะมันเป็นเรื่องเรื่องเล็กแต่นี่เวรนี่กรรมนะ่ะเรื่องใหญ่โลกอะไรก็ไม่สำคัญหรอกโลกโลกทุกเรื่องใหญ่โลกทุกนี่ตายแล้วไม่จบนะข้ามภพข้ามชาติวันแรกเกิดมาก็ร้องไห้แล้วจากนี้ไปฉันทุกข์ละนะก็อย่าประมาทนะเรามีโอกาสดีแล้วนะก็ใช้โอกาสดีนี้เนะี่ยมุ่งมั่นต่อยอดให้จิตเราเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ไม่ใช่เกิดมาเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆแล้วรวยแล้วก็เสพสุขแล้วก็ตายนั้นไอลิงนะลิงไม่กระทําอย่างนั้นนะลิงไม่กระทําอย่างนั้นเราเกิดมาเดินทางต่อเป้าหมายคือพ้นทุกสถานเดียวส่วนกิจกรรมอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้นเองนะก็กรกตก็เป็นเคสหนึ่งแล้วมีหลายเคสมากเรามีเยอะคนเรามันทุกคนละอย่างาทุกกายทุกใจทุกกายก็มีหลายอย่างนะ เป็นโครคภัยไข้เจ็บเกิดอุบัติเหตุอะไรเดี๋ยวทุกใจเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นเศรษฐีนะแต่ก็ฆ่าตัวตายนะมันก็มีเราเป็นว่าคนเราไม่เหมือนกันไม่ต้องไปเรียนแบบกันไม่ต้องไปเรียนวิชาเดียวกันอย่าเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันอย่าไปเรียนแบบเขาเอาแบบเรานั่นแหละเราแบกโปรแกรมกรรมมาไม่เหมือนกันจะเป็นเหมือนกันได้อย่างไรไอ้ที่เหมือนกันเป็นลัทธินิกายเป็นแค่องค์วิชาหนึ่งมันก็ได้ศักยภาพระดับหนึ่ง อย่าไปกดจิตลรไว้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยแสดงจักภาพเต็มที่แต่พวกกูพยายามเซตทัพโปรแกรมนี้เพื่ออะไรเป็นสากลตให้คนทั่วไปทำได้หมดนะพื้นฐานว่าเรามีทุกพื้นฐานนะเออมันก็ปลดปล่อยได้ตอนนั้นก็บุญใครบุญมันใครจะต่อยอดก็ต่อไปใครไม่ต่อพอใจแค่นั้นก็เอาแค่นั้นนะทางเส้นนี้ไม่ตันนะทำได้ตลอด อยู่ที่ว่าในเวลานี้สจุชั่นสถานภาพเราหน้าที่อาชีพเราเนี่ยต้องการแค่ไหนเราก็ปฏิบัติเพื่อให้มันต้องการแค่นั้นนะอ ย, อย่าพยายามเอาความคิดแบบเราเคยชินแล้วเนี่ยมามองสิ่งนี้เราจะไม่เห็นความจริงเราจะมีบ้านบังตานะมองด้วยอัคติมองด้วยชอบก็มองอีกแบบหนึง่งไม่ชอบก็มองอีกแบบหนึง่งหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ความจริง ยกตัวอย่างความอร่อยเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะยกตัวอย่างเดี๋ยวแม่ครัวเขาเปิดทุเรียนมาเอาแบบสุกๆเลยกลิ่นแรงๆมาวางตัวนี้ปุ๊บบางคนอร่อยบางคนทุกข์มากวิ่งหนีถ้าเป็นความจริงเนี่ยทุกคนต้องอร่อยเหมือนกันนะเราไปติดที่สมมุติอย่างนี้สมมุติแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงสมมุติว่าเออนี้ฉันชอบแล้วก็สร้างอุปท า, านมาเราชอบเขาก็สมมุติว่าอย่างนี้เขาไม่ชอบเขาก็สร้างอุปท า, านไม่ชอบ นะครอบครัวหนึ่งนี่รักกันมากเลยบางครั้งคุยกันไม่รู้เรื่องทําไมขณะคนรักกันคุยกันไม่รู้เรื่องอย่าไปว่าศัตรูกันเลยนะเพราะทุกคนมีทิฏฐิมาณะของตัวเองมีธงของตัวเองอยู่แล้วนะพูดภาษาไทยด้วยกันแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันขัดแย้งกันทุกวันนี้เพราะจิตมันเปื้อน ไม่ต้องสอนอะไรเด็กคลุกวันนี้เขาเบื่อผู้ใหญ่มากสอนอยู่ได้นะ่ะลำคาญเข้าหูซ้ายก็ออกหูขวาไงเพราะผู้ผู้ใหญ่เนี่ยก็ทะเลาะ ก, กันเห็นเอยู่บวกเด็กอยาทะเลาะ ก, กันนะเห็นไหมผู้ใหญ่กินเหล้าอยู่บวกเด็กกินเหล้าไม่ดีนะแล้วมันจะมีน้ำหนักเหรือเด็กมันขี้เกียจมันก็เลยไปพึ่งอะไรพึ่งเกมโซเชียลมีเดียระวังนะลูกพวกเด็กๆนะมหาวิทยาลัยชิคาโก้เนี่ยพึ่งวิจัยมาเร็วนี้นะ่ะมันอันตรายกว่ายาเสพติดเสียอีก ตอนนี้มีเด็กที่อยู่ลูกญาติธรรมเนี่ยไปฝากพ่อครูมาจากกรุงเทพเนี่ยแค่ม .2 นั่นเป็นผู้หญิงนะภาพโป้อยู่ในมือถือเขาเนี่ยพ่อครูไม่รู้เรียกว่าอะไรนี่มือถืออะไรที่ไอ้ที่มันอัดโปรแกรไมไหมมันเรียกว่าอะไรพราะนี้พ่อครูค้าคอมพิวเตอร์ตอนนี้พ่อครูชาไม่เป็นนะวันนั้นเขาทุกข์มากเนื่องจากเขาศรัทธาแล้วนี่ยเขาล่องออกมาเลยช่วยหนูหน่อยหนูมือภาพโป้เนี่ยหมื่นกว่าภาพ โดยเฉพาผู้ชายกับผู้ชายแล้วก็วเป็นภาพที่ว่าต้องมีเลือดด้วยนะ่ะมันดูแล้วมันสะใจวันไหนที่มันไม่ดูมือมันสั่นอย่างนี้เลยนะหนูไม่อยากเป็นอย่างนี้หนูไม่อยากเป็นนี้นะนะพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรล่ะมีแต่ผิดแล้วก็ตี ต, ต, ตีตีไงมันก็เบื่อพ่อแม่ก็มาหยอกอยู่กับพ่อครูนะพ่อแม่ก็ปฏิบาตาัติตำนะพ่อครูบอกด้วยจากเขาศรัทธาลูกฟังพ่อครูตื่นนะ ลูกจะสู้กับมันจริงไหมจริงอลูกลบออกตาหน้าพ่อคุณเลยลบมันออกลบยังไงลบล บ, ลบออกให้หมดเลยลูกโอเคนะไปไปเวียงลูกหยุดเรียนก่อนเวียงอย่างเดียวตอนนี้เขาฟื้นแล้วครับมีอย่างเดียวเท่านั้นต้องฟังพระพุทธเจ้าขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มสมาธิเพิ่มสติสติสมาธิเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่จบอยู่ตรงนั้น นะเอาออกเอาออกพฤติกรรมเด็กทุกคนเปลี่ยนได้ครับนะแต่ผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนนะให้เราดุดออกมาจากอุปท า, านของเรานะพะ ก, กูก็ขโมยหวังนึกๆนิติหน่อยๆนะก็ขอให้ดกรก้อยนี่ยเขาทำสำเร็จนะเราจะหาวิธีนำเสนอให้เป็นนโยบายแห่งชาติ ทุกโรงเรียนต้องเอาไปใช้ไม่ต้องตั้งงบประมาณไม่ต้องมีเทคโนโลยีทําได้เลยศูนย์พ่อครูไม่มีไฟฟ้าอยู่สบิบเอ็ปีพ่อครูก็ใช้ะระฆังนี่แหละเห็นไหมไม่ต้องเสียเงินเรา เ, าเสียงเนี่ยมาเป็นสื่อได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจมันเกิดแรงเวียงแรงดึงกันนะมันก็หมุนเมื่อจิตหมุนแล้วนี่คือ ทำมาจักกัปปวัตนสูตรเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมมาจากติดมันก็มีรถยนต์เครื่องติดแล้วมันก็มีเครื่องมือเดินทางนี่คือเข้าไปกระแสมรคจิตนะแล้วเดี๋ยวเขาจะฉลาดขึ้นเขามีปัญญาอยู่แล้วให้เขาไปเข้าเว็บไซต์เนี่ยเอาปัญญาเก่ามาใช้มาควบคุมความรู้ผิดทุกวันนี้นะเด็กมันไม่มีเพื่อนเด็กญี่ปุ่นจเจริญมากเลยเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะมาก คนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายปีหนึ่งหลายหมื่นคนเพราะวัตถุนิยมไม่ตอบโจทย์ชีวิตนะวันดีคืนดีเด็กก็ปิดรถแอรนะ์เปิดแก๊สในนั้นมันก็ตายหมู่นะเนี่ยผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้เด็กมันอยู่นะเด็กมันไม่มันตอบโจทย์ชีวิตไม่ได้เมื่อแต่วัตถุนิยมแข่งขันอยู่นั้นนะเครียดกันไปหมดนะ ก็ตอนนี้เราไปสอนยังไงก็ช่างเข้าหูซ้ายออกหูขวาเนี่ยเด็กมันก็เบื่อผู้ใหญ่นะก็ทำยังไงก็ได้ให้เข้ามาเข้าโปรแกรมเนี่ยเบิกบานเลื่อนเลงนะยกตัวอย่างนะมีสตีท่านหนึ่งอยู่สมุดสาครในสุพรรณ์พระ ก, กูจำไม่ได้ล่ะโทรไปที่ศูนย์นะบอกทางไปศูนย์ไปยังไงรีบบอกเร็วๆนะเขาจะมาศูนย์เดี๋ยวนี้ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอ้ยคุณอย่ามาตอนนี้นะคุณมาถึงกลางดึกอะไรอะไรว่าต้องมาเดี๋ยวนี้ถ้าฉันไม่ออกไปเดี๋ยวนี้น่ฉันมีอย่างเดียวก็คือฆ่าตัวตายนะเขาก็มาจริงๆนะพอคกูเห็นจิตแล้วไม่ได้คุยมากบอกไปเต้นนะบังเอิญมาเจอเชคแอนแดนพอดีเ น, ะนะเขาเต้นนันมัสลัดออกปุ๊บเนี่ยไม่เกิดเรื่องอะไรเลยเมื่อเราจมปักอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะ ย้ำคิดย้ำทำมันออกมาไม่ได้เหมือนคนนั่งเบอร์เบอร์เราไปสั่นเขาให้ตื่นตื่นๆื่นตื่น่น่นเพราะมันตื่นออกมาจากอารมณ์นั้นน่ะฉันเป็นอะไรแค่นั้นเองนะเราสลัดออกมาจากการที่เราจมตักอยู่กับไอ้ความย้ำคิดย้ำทำในอารมณ์นั้นแค่นั้นเองทุกอย่างก็แก้ปัญหาธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงเรายกเราก็หนักระวางเราก็เบาท่านเองมันไม่ได้แยบยนไม่ได้สับสนไม่ต้องมีเทคนิคอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวพอคูถามคนนี้นะมามานวันนี้เดี๋ยวมานี้เดี๋ยวแสดงให้เพื่อนดูหน่อยยืนขึ้นเนาะเอาถือช้อนนี่สองนิ้วกว็พอถือยื่นลงไปข้างหน้าเนาะยืนข้างหน้าเออแล้วมองมันเพ่งมันหนักไหม พอถือได้เนาะเออพอถือได้เนาะถ้าระกูให้ยืนถืออย่างนี้เดือนหนึ่งไม่หลับไม่นอนไม่ต้องกินข้าวด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงมันหนักใช่ไหมจะทำให้มันเบาทำยังไงวางแบบไหนวางบนโต๊ะนี่เห็นไหมาวางใช่ไหมวางนี้ยากไหมวางนี้ต้องมีเทคนิคไหมไม่มีไปไปนั่งนะ ไม่มีเทคนิคไม่ต้องเรียนวิชาไหนทั้งท่านนี่คือทำบ้าไงโอ้ยพ่อกูพูดง่ายงวางยากยากลูกก็ของโปรดอาหารก็ของโปรดบ้านก็ของโปรดวางได้ยังไงถามว่ามันยากกัไรลยตำรวจจับไหมเมื่อกี้วางนี่ตำรวจจับไหมแสดงไม่ไปกฎหมายใช่ไหมต้องขอวีซ่าหรือเปล่าต้องเสียเงินไหมแล้วมันยากตรงไหนล่ะ มันยากเพราะมันง่ายเส้นผมบางภูเขาแต่เราคิดเอาเองไม่ได้ไงเพราะมันติดแล้วไงมันมีอุปทานแล้วไงอแล้วทำยังไงเมื่อวางยังไม่ลงมาเหวี่ยงทิ้งมาสลัดออกทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยเอเอเหมือนคนบ้าเลยถามว่ามีใครบ้างไม่บ้าเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องนะบ้าไหมบ้าแล้วแย่งกันถือลาบยนสัิเล่เสริญ น, น่ ไม่บ้าเหรอเธอก็ทุกฉันก็ทุกเห็นไหมสู้ชาวเขาไม่ได้นะเขาถือผีถือสางเนี่ยเราหาว่ามันหลงงมงายพวกบ้ามันกลัวผิดผีมันก็ไม่ทําชั่วไงมันก็อยู่ได้กันอย่างสันติเสรีเห็นไหมเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดาธรรมดาเราไปทําให้มันยากธรรมะคือธรรมดาศีลคือความปกติของจิตเรามีศีลอยู่แล้วเต็มเปี่ยมสําคัญว่ามันหายไปไหนเท่านั้นเองอยากอยากอยากอยากให้มันคืนขึ้นมาทํำยังไง ก็เวี่ยงทิ้งไงเวี่ยงไอ้ความรู้ผิดทิ้งศีลมันก็แสดงตัวศีลคือความปกติของจิตชีวิตพ่อครูต้องใช้คำว่ า, าแปลกมากพก่อครูเอาชีวิตพ่อครูนี่เหมือนเหมือนเหมือนทดลองทดสอบเลยนะ40ปีถูกสอนว่าเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วลจะมีความสุขซื่อสัตว์มากไปอเมริกาก็รวยแล้วไงแต่พ่อครูหาความสุขไม่เจอเอาคนนี้อีก บอกพรอครูหน่อยตัวความสุขเนี่ยมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรรูปร่างหน้าตามเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบอกไม่ได้ฮะมันคล้ายๆอะไรเรากำลังสแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีเรากำลังสแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้โลกนี้เนี่ยไม่มีความเย็น ห้องนี้มันเย็นเพราะอะไรเนื่องจากความเมตตาจากนะเจ้าภาพเรานะเขาเปิดเครื่องปรับอากาศที่มันเย็นเพราะเาปรับอากาศความร้อนออกเท่านั้นเองโลกนี้ไม่มีความเย็นมีแต่ความร้อนมากร้อนน้อยเท่านั้นเองเหมือนน้ำแข็งเนี่ยมันเย็นไ้ยเย็นจนเป็นน้ำแข็งนะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งอันนี้เหล็กไหลนะน้านี่คือเหล็กไหลนะเอาไปต้มปุ๊บเม่หายตัวเป็นอากาศาธาตุไปเลยเนี่ยเนี่ย จิตเราก็เหมือนกันมโนธาตุเราเหมือนกันทำให้มันเย็นก็เย็นใจแต่ว่าตอนมันเย็นเฉ ย, นเยนๆนี่เห็นหมมันใส่แก้วมันก็แปลสภาพได้มันยังไม่มั่นคงใส่ถ้วยก็แปลสภาพถ้วยถ้าเป็นของแข็งปุ๊บเนี่ยมันมันดำรงอยู่นะตั้งมั่นดังขุนเขาโลกนี้ไม่มีความเย็นมีแต่ความร้อนผ้าที่เป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็น กัางคืนที่เราเย็นลงบ้างเพราะว่าโลกมันหมุนหนีหวดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะเราโชคไปคิดตูวว่ามันสว่างพระผาอาทิตย์ขึ้นมันมืดพระอาทิตย์ลงเนี่ยผ้าอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงโลกมันหมุนเป็นพราเธอด่าฉันนั่นแหละฉันถึงอกหักเออฉันถึงทุกข์เป็นเพราะเธอไม่รักฉันน่ะฉันถึงอกหักน้องเอที่มาเป็นเอสลอมาฝึกพ่อครูเนี่ยบอกว่าพ่อครูหนูเหี่ยงทิ้งหมดแล้วเหลืออย่างเดียวเหี่ยงไม่ทิ้งเป็นเอสแฟื้นมาหน้าตาสวยกว่าเก่านะ ก็ยิ้มได้แต่ว่ายังลึกๆทุกอยู่ว่าหนูอกหักเพราะแฟนไม่รักบอกเอเธอคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เธออกหักเพราะเธอไปหลงรักเขาไม่จะเป็นเพราะเขารักเธอเบี่ยงทิ้งซะไอตัวหลงนั้นไม่ชอบไปโทษคนอื่นโทษว่าผ้าทิตย์ขึ้นมาถึงสว่างผ้าทิตไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงโลกมันหมุนอัตหิอัตโนานาโถตนแลย่อมไปที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องโทษคนอื่นถ้าต้องการโทษเหรอ จริงๆแล้วไม่ต้องโทษตัวเองด้วยนะแต่ถ้ามันอยากโทษโทษเถอะโทษตั้งแต่วันแรกเราหลงมาเกิดละเพราะคูเคยไปบรรยายโรงพยาบาลมุกดาหารเนี่ยนายแพทย์พยาบาลนั่งอยู่พราะครูต้องแย่ให้โมโหก่อนไม่งั้นมาเล่นไม่เล่นกับพ่อคูเพราะตัวตนมันบอกไว้ไงพระบอกคุณหมออย่าหลงตัวเองนะคุณหมอไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะก็เก่งเท่าที่คุณหมอเรียนนั่นแหะเออโรคภูมิแพ้คุณหมอก็ไม่รักษาหายขาดแม้กระทั่งไข้หวัด กินมันก็หายโวคลาภเดี๋ยวก็เป็นอีกทําไมมันทําให้หายขาดละ่ะอย่าว่าทํมามะเลงโรคเออดเลยได้เรื่องนะคุณหมอก็เริ่มเปิดแล้วนะเปิดอัตราก่อนไม่งั้นไม่ฟังพ่อกูนะไม่มียาไหนรักษาโรคเวียนโกกรคกำหรอกไม่มีไม่มียาวิเศษไหนนะถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต้องบริโภคยาพระพุทธเจ้าธรรมะโอสถนะหมอไม่พอใจเลยมีมีแบบนี้เลย ทำได้ด้วยนะถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอีกต่อไปจําแม่นๆอย่ากเกิดอีกทําได้เราเป็นสัตว์ประเสริฐนี่ทุกคนมีสิทธิ์หมดนะแต่เราไม่ทําตางหากเรากล่าวไหวพระพุทธองค์กล่าวไหวกลาวไหวกล่าวไหวกล่าวไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโน่นขอนี่ทําบุญร้อยหนึ่งสาธุถุกละวันที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ทําบุญในค้ากำไรเกินควรนะ เจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคูถือว่าดูถูกพระองค์นะเราเป็นพุทธยัยงไงไม่เข้าใจพระองค์เลยอันนี้แบบดับพูดเรื่องาศาสนาหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมไม่เกี่ยวกับาศาสนานะโปรแกรมเราเนี่ยมาพัฒนากายฟิสจิตเฟิร์มอารมณ์มีสุขแต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะคูเป็นพุทธแต่พระกูพยายามหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปขัดแย้งกับศาสนาอื่นเขานะสัตว์โลกเป็นเพื่อนทุกข์ไม่ต้องขัดแย้งกันนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ เห็นไหมทุกวันนี้เราหูทิพตาทิพเราเห่อเหินเดินอากาศได้ไหมมาจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ห่อมาชั่วโมงนึงก็ถึงละเห็นไหมหูทิพฟังมันพูดอยู่อเมริกาก็ได้ยินแสดงละครญี่ปุ่นก็เห็นนะไม่ได้ทุกข์เราไม่ได้พ้นทุกข์แต่คําสอนพระองค์เนี่ยถ้าเราศึกษาจริงๆทําจริงๆเราพ้นทุกข์ได้พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เราก่าวไหว้ในฐานะและลึกถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากเกลิดก่าวไหว้และลึกถึงครูบาอาจารย์เพื่อเราจะมุ่งมั่นจเจริญรอยตามท่านไม่ใช่ก่าวไหว้แล้วก็ขอนวนขอนี่นะอันนั้นเคารพพุทธแบบหลงงม ง, ง, ง, งายนะก็ปฏิบัติเอง รู้เองนะปฏิบัติแล้วก็นําไปประพฤตินะไม่ใช่ปฏิบัติปุ๊บอ่ะพรา ก, กูถามว่าไปไหนหิ้วกระเป๋าไปแต่งชุดขาวกันไปไหนไปปฏิบัติธรรมพอไปปฏิบัติธรรมปุ๊บเขาก็ปิดวาจาเหลือสบห้าวันโอ้ยสบายสบายไม่ต้องได้ยินใครพูดเลยฉันก็ไม่ต้องสร้างวัจจิ ร, รมพอวันกลับบ้านปุ๊บเนี่ยอื ต้องพูดแก้แค้นบนกันมากกว่าเก่าอีกถ้าคุณจะไปปฏิบัติทำยังไงนะเพราะมันไม่ได้พูดถสื้อผ้าวันเนี่ยต้องพูดแก้แค้นก่อนอันนั้นเป็นแค่รูปแบบเราทำมาสองสามวันได้กดมันไว้ไหมไม่ปล่อยมันออกมาให้หมดเลยออกหมดเลยกลับบ้านจะไม่มีแรงพูด กลับบ้านมันจะได้ไม่มีกําลังพูดนะเขาถึงศรัทธาไงเออนี่ปฏิบัติเข้าท่าหน่อยหนึ่งกลับมาแล้วเงียบกว่าเก่าไม่ใช่กลับมาแล้วพูดแก้แค้แคนอีกสิบห้วันไม่ยอมให้ฉันพูดนะเป็นแค่รูปแบบมันไม่มีประโยชน์เห็นไหมเขาปฏิบรรัติทำเขาบอกว่าชีวิตเขาดีขึ้นนะเออมีคนหนึ่งนะล้านขายทองที่กรุงเทพนะเ อ, อสามีแกก็เป็นผู้การทหารลูกสาวตอนนั้นเกเรไม่ใช่เกเรหรอกเด็กวัยรุ่นก็เป็นอย่างนั้นละ่ะ นะพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาเองก็โลกสมัยใหม่ไม่เปลี่ยนนะพูดแม่พูดอย่างเขาทําอย่างบังเอิญเขาชอบไปหาพระครูที่ศูนยะ์นะพอเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาแม่รีวายไปเป็นอะไรนะเป็นชาติหนึ่งถึงเป็นเนรน้อยนะที่นี่คุยกับลูกสาวรู้เรื่องเลยเอาภาษาเนรมาคุยกับลูกงนะเอาภาษาเด็กคุยกับภาษาเด็กนะสนิทกันเลยนะ แต่จิตมันฉลาดแล้วผู้ใหญ่พยายามจะให้เด็กเข้าใจเราเราไม่เคยยอมให้เข้าใจเด็กเลยแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าน่ะสั่งมันซ้ายหันขวาหันอะไรพวกนี้นะแล้มีเด็กความรู้แต่เราไม่มีปัญญารู้ว่าเด็กก็คือเด็กแล้วเ้าภาษาด็อกเตอร์ไปสอนเด็กอนุบาลได้ยังไงเนี่ยคู่นี้จากน้ำมันแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะแม่ลูกตอนนี้สนิทกันเลยเห็นไมจิตมันสอนแม่นะ กลับไปเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาน ะ, นะแล้วก็เป็นภาษาเด็กคุยกับเด็กเนี่ยมันก็คุยกันรู้เรื่องเห็นขอให้จิตเราเนี่ยแก้ไขปัญหาให้เรานะจิตจิตเรานี่คนจีนเรียกว่าหลิงระบบจิตเขาบอกว่าหลิงหลิงนี่คือก็ตัวปัญญานั่นแหละไม่ต้องแปลงไงนะอย่าใช้สมองง่ๆของเราไปสอนจิตเห็นป็นเด็กอนุบาล สาสขวบนี่ยว่าเออมันเป็นเด็กเด็กนี่ยบางทีอายุของจิตเขานี่แก่กว่าเราด้วยนะอย่าบางอาจใช้สมองโง่เราไปสอนจิตนะจิตสือ่อจิตนะพอเราทุกวันนี้ปลูกสำนึกนะลูกชายหันขวาหันเป็นเด็กดีนะอะไรอโอเคเราสอนปุ๊บเนี่ยกลับไปบ้านสิ่งแวดล้รอมมันก็สอนอีกแบบหนึ่งนะยือกันไปอย่อย่างนี้นะเออ มันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวานะถ้าเราปลูกจิตสํานึกปลูกจิตสํานึกไม่ใช่ปลูกสํานึกปลูกจิตสํานึกเขาตื่นขึ้นเขาจะมีสํานึกเองเขาจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนี่คือปัญญานี่คือสัญชาตญาณของจิตเดิมนะปลูกจิตสํานึกนี่คือวิปัสสนานั่นแหละแต่ไม่สอนแบบวิปัสสนึกนะไปนั่งสมาธิสงบแล้วก็ไปคิดพิจารณาละเอียดขึ้นอันนั้นวิปัสสนึกอันนั้นนึกเอา พิปัสนาต้องรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอารมณ์จริงๆของเราเราเต้นอยู่นี่คืออริยบทบับนะเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นไม่ใช่เห็นแค่กายเคลื่อนไหวนะมันเหนื่อยเราก็เห็นเวทนาเราก็เกิดขึ้นเราก็เห็นจิตมันมีความทุกข์เราก็เห็นแต่กษัตริย์กจะว่าเห็นไงอารมณ์ข้างในมันเป็นยังไงธรรมในธรรมธรรมอารมณ์นั้นเป็นยังไงนี่คือมหาสติทัานไปด้วยกันโดยทั้งหมดเลยง่ายๆ ธรรมชาติมันง่ายอยู่แล้วความถูกต้องคือความง่ายแต่มนุษย์เรามาหาเรื่องยากทำเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากเท่านั้นเองเห็นั้ยเมื่อกี้นี่วางยากไหมเห็นไหมหไห ม, มันง่ายกว่ายกไหมแล้วทีนี้เราคิดแบบยากส่วนเนี่ยเพราะกูอยู่ในป่านั้นเนอเราเกิดเป็นคนไทยบุญเยอะละบังเ อ, อิญอาจจะบุญเยอะมากเกินไปก็แล้วกันนะไม่มีประเทศไหนหรอกเขา เอาไปแจกเอาไปแถมคนจนเอาไปให้ให้กระทรวงนี้ก็ไปให้นี่ไปให้ให้มันถึงไม่โตไงแบมือยว้แล้วให้ยังไงรู้ไหมไอ้กรมนี่มาสอนปลูกหญ้ า, าปลูกหญ้ายังไงมันดีที่สุดไงปุ๊บไอ้กรมนี่มามาสอนให้เลี้ยงมาแต่มาที่มันสอนอามาสอนให้เขาเลี้ยงมาพันตรงนี้มันไม่เหมาะกับหญ้าตรงนั้น ปีนั้นมาอีกแล้วกรมวิชาการเกษตรนะไม่ใช่ผู้เล่าให้ฟังนะไม่ใช่ไม่ใช่คนผิดนะระบบมันผิดเอาล่ะมีโครงการเขาบอกว่าอะไรล่ะเกษตรยั่งยืนไปขอใช้ศูนย์เราเพ่อครูก็บอกว่าหัวหน้าโครงการนี่ชื่อมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้ว <c oughs> ถามว่าคุณเอาเงินมาจากไหนบอกน่นเนเธอร์แลนด์ Thailand ให้มามันให้มาก้อนนึงนะ มันใช้นักวิชาการเราทั้งประเทศเลยนะเพื่อให้เราวิจัยแล้วแลวสิ่งที่วิจัยก็คือเกษตรกรเราเป็นหนูลองยาพวกครูเป็นเกษตรกรนะมาจากอเมริกาพราครูเลือกอาชีพเกษตรก่อนทำเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทำมาหากินนะเนี่ยหน่วยงานก็เข้าไปพวกครูก็บอกแล้วว่ามันต้องโฮลิสติกต้องรวมพลังกันไม่ใช่ต่างคนต่างทา พออีกปีหนึง่งเขาบอกว่านี่นเรารวมกันแล้วทุกๆ ก, กรมรวมกันแล้วในกระทรวงเกษตรเพราะครูบอกไม่พออา้าอย่างเมื่อกี้เราจับสองนิ้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่ครูบอกนี่ชีวิตเราประกอบด้วยเห็นไหมนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นอารมณ์วิญญาณ น, นี่เป็นจิตเราประกอบด้วยกายจิตอารมณ์แต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้มันไม่ร่วมมือกันมันยกแก้วนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม แล้วต้องร่วมกันยกแก้วนี้ได้ใช่ไหมเออดีแต่ถ้ายกโต๊ะนี้เนี่ยมือหนึ่งยกได้ไหมต้องสองมือใช่ไหมสองมือยกแล้วไอ้ขามันไม่เดินด้วยนี่ได้ไหมน่ะเขาบอกเขารวมแล้วทุกกรมแลนะ้แต่กระทรวงอื่นเขาไม่รวมกับเราเลยจะยังไงสุดท้ายเกษตรก ร, ร, ก, รก็เป็นหนูรองยาเหมือนเก่าน่ะก็สงสารเรายังไงเอาละเป็นกรรม พ่อคูก็เป็นเกษตรกรบอกว่าเราพอใจฟังในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงนี่นักวิชาการไปพออยู่พอกินพอใช้พวกกรไม่ใช่เรื่องวัตถุอย่างเดียวบิลเกตยังไม่พอเลยบิลเกตแตใครจะพอต้องพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจพอใจในความเป็นไทยนะแต่พอใจไม่ได้แปลว่าพอแล้วนะในหลวงก็สอนให้เราขยันพระพุทธเจ้าก็สอนเรามีวิริยะ ต้องขยันขันแข็งทําต่อไปทําแล้วได้ก็พอใจทําแล้วเสียก็พอใจพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําไม่ใช่ได้ก็ดีใจเสียแล้วก็เสียใจนี่คนโง่นะสมมติว่าเราทําแล้วเนี่ยเราได้พุทธเราได้รางวัลได้เงินแต่ถ้าเราทําแล้วไม่ได้รางวัลเราพลาดโอกาสในการได้รางวัลแต่เราได้ประสบการณ์อย่างยิ่งรู้ว่าเราเสียเพราะอะไรต้องพอใจต้องเริ่มจากใจก่อนเมื่อใจเราเข้าใจแล้วเราถึงจะทํา เศรษฐกิจพอเพียงได้สำเร็จนะต้องเข้าใจชีวิตนะพอใจเพียงแค่มีออแล้วขยันขันแข็งทําต่อไปนะเดินทางสายกลางแต่ตอนนี้เนื่องจากว่านักวิชาการก็รู้ไปขแขนงหนึ่งหรือไปขแขนงหนึ่งแล้วตีความภาษาในคนละเรื่องนะมันก็เลยกลายเป็นว่า สร้างปัญหาแล้วก็ไปศึกษาวิชาการใหม่มาแก้ปัญหาเก่าแล้วก็สร้างปัญหาใหม่ไปอย่างนี้งูกินหางเนี่ยมันไม่จบสิน้นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสังคมนะเราเปลี่ยนโลกไม่ได้แบบพ่อครูว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้โดยเฉพาะพวกเราต้องช่วยกันเริ่มตั้งแต่เด็กวิชาการก็เรียนไปพรา ก, กติกาสังคมเป็นอย่างนั้นเราไม่ทําลายสมบูรณ์มัญัติแต่ไม่พอถ้าเราเรียนแค่วิชาการเนี่ยพอเราจบมาเราจะเอาวิชาการเนี่ยไปเอาเปรียบสังคมเปรียบคนอื่นเบียดเปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นนะ คนไม่มีความรู้นะ่ะมันคอร์รัปชันไม่เป็นหรอกคนคอร์รัปชันมีแต่คนมีความรู้ท้งนั้นแต่เป็นความรู้ผิดถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะใช้ความรู้นั้นนะ่ะทำลายตัวเองกับสังคมนะต้องฝึกเด็กให้เกิดปัญญาด้วยแล้วนะปัญญาจะควบคุมความรู้ความรู้มีประโยชน์เราก็จะเอาความรู้นั้นนะ่ะ มาทำให้ตัวเองไม่เดือดร้อนไม่เป็นภาระสังคมแล้วก็มีส่วนเกินแบ่งปันนั่นแหละลูกหลานเราจะได้อยู่จะได้มีโอกาสอยู่ในสังคมที่มันอบอุ่นมีความสุขปลอดภัยแต่ตอนนี้มัวแต่สู้กันสู้กันเรื่องเศรษฐกษิจเศรษฐกิจสังคมเละหมดเลยพวกครูอยู่กับสิ่งนี้มายี่บเ็ปีพวกครูทำทุกอย่างอบรมเยาวชนหออำเภอวัยรุ่นทั้งนั้นแหละวัยกาลังสิ่งกาลังตีกันฆ่ากันนะ สารมุกดาหารก็ส่งเข้ามาในค้าจงนั้นนะโอ้โหตีสองมันจะยกพวกตีกันเราต้องใช้ครูสาวๆครูเด็กๆนี่แหละเอาไม้นิ่มเข้าไปเมตตารมเพราะครูใช้วิธีขอเด็กนะต้องพูดมันเบาๆและอบรมปุ๊บนีม่มันร้องไห้ว่าทำไมพ่อแม่ผมไม่เป็นอย่างนี้นะทำไมครูที่นี่ดีดีกว่าเขาเลยมันถามตรงๆนะว่าถามตรงๆเถอะพ่อครูได้อะไรที่ดีกว่าพวกผม นะได้เงินมาหรือเปล่าเขาจ้างหรือเปล่านะพวกกูบอกไม่มีมีแต่พวกคูควักเงินมาเป็นค่าอาหารเลี้ยงพวกเธอเอาแล้วพ่อครูทำทำไมเอา้าทำเพราะพ่อครูลักชาติไงเอารักชาติมันเกี่ยวอะไรกับพวกผมพวกพวกเธอเป็นอนาคตของชาติไงถ้าพวกเธอนี่ยเป็นคนไม่ดีในชาติมันจะดีได้ยังไงพวกกูมีคําตอบนะ บางทีมันมันมองด้วยตาเนื้อเนี่ยญาติธรรมนี่คุณหมอนี่สนิทกับพ่อครูเนี่ยหลังจากสนิทแล้วพ่อครูถามหน่อยได้ไหมไม่ได้ต้องถามเยอะๆถามหน่อยโกรธนะพ่อครูบอกว่าพ่อครูหยุดแล้วทําไมทําศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องเต็มไม่หมดเลยไปศูนย์พัฒนาจิต ท, ที่วรุงเทพ อ, อีกอนะก็หยุดแล้วถึงทําไงเขาบอกเขางงถ้าพ่อครูไม่หยุดทำเพื่อตัวเองแล้วจะมีเวลาที่ไหนทําให้กับคนอื่น เมื่อเราทำตัวเองเท่าไหร่ก็ไม่พอเราจะเวลาที่ไหนไม่ทมําให้คุณก็หยุดแล้วถึงทําไงเห็นไหมเขาคิดว่าจะถามพระกลัให้พระครูตันเหรนะไม่มีตันหรอกมันไม่มีตันมันเป็นของจริงมันจะไปตันได้ยังไงใช่ไหมหยุดแล้วถึงทําไงนะการให้เป็นความสุขอย่างยิ่งนะทุกวันนี้ทุนนิยมก็สอนว่าถ้าการได้การได้เปรียบเป็นสุขอย่างยิง่งมันก็สุขสุขดิบๆ คุณไม่ได้แต่เสมอไปหรอกพอได้มาเขาแย่งไปก็ทุกข์อีกไงนะสีปีเพิ่งไปตามโลกอยากได้อะไรมีหมดแล้วไม่เคยรู้สึกมั่นคงเลยเพราะว่ามีคนมากกว่าเราไงแล้วก็กลัวมันเรียกจับเรียกค่าถ่ายกลัวมันพ้นกลัวมันขโมยไงกลัวถูกโกงไงไม่เคยรู้สึกมั่นคงเลย27่สิบเจปีในป่านั้นมั่นคงทุกๆวินาทีไม่มีแต่ถึงวินาทีไม่รู้สึกมั่นคงไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะ ความรู้สึกว่ากูไม่มีของหายสักชิ้หนึ่งมันอาจจะหายทุกวันก็ได้แต่ไม่ใช่ของพระคูณนั่นแหละมั่นคงมากมั่นคงนะเราถูกสอนต้องเจริญเติบโตเจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงสัหน่อยนึงยิ่งมายิ่งไม่มั่นคงเพราะเจริญกับเติบโตมันอันลิมิตมันไม่มีวันขอบเขตจํากัดแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้สึกมั่นคง นะนี่เราเหวี่ยงทิ้งหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวเราก็ไม่มีใครจะเป็นคนด่าเราใครจะเป็นคนยิงเรายิงถุงอะไรล่ะแล้วไม่มีคนรับตรงนั้นอะ่ะนี่คือมั่นคงมากไม่ต้องกลัวฝึกไปเราจะหายโง่ไม่มีใครอยากโง่หรอกแต่มันมาเกิดยุคนี้เนี่ยมันร่วมสังกกรรมกับยุคนี้นะกรรมร่วมเขาก็ใส่โปรแกรมเข้าไปแม้กระทั่งแม้กระทั่งตั้งชื่อเนี่ย นะก็ไม่ได้ตั้งเองนะคนที่รักเราเนี่ยตั้งให้เราโดยที่ไม่เคยถามเลยว่าเราชอบไหมแถมศาสนามาด้วยเห็นไหมเห็นไหมโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรนะก็ทั้งหมดไม่ต้องโทษใครนะสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมกรรมเก่าส่งผลให้เรามาอยู่ในร่างนี้นะบุญเก่าก็ส่งผลให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอคำสอนที่ยิ่งใหญ่นะ เราเจอแล้วบุญเราสร้างมาก็ได้ผลแล้วไงส่งผลให้เราอยู่ในร่างมนุษย์ทุกประเสริฐต่อไปก็ตัวใครตัวมันสิทธิไงเราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ตรงไปก็ได้สมมุติว่าเลี้ยวซ้ายไปนกรกเลี้ยวขวาไปสวรรค์ตรงไปนิพพานก็เป็นสิทธิของเราไงนะก็ก็เลือกเอาก็เลือกเอาเป็นสิทธิของเรานะแต่ก่อนจะเลือกนะพรอครูให้ข้อคิด หันไปมองปลาน้ำจืดมาหน่อยนะมันทำไมต้องวิ่งทวนกระแสเหนื่อยก็เหนื่อยทำไมไม่มากง่ายตามกระแสสบายสบายออกทะเลก็ตายหมดไงทำไมมันไม่ทำทำไมมันรู้ที่มันรู้เพราะอะไรรู้ไ้มเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนมันไปโรงเรียนปุ๊บมันกลัวจะไม่ทันเขามันมักง่ายก็ตามเขาไปหมดล่ะตามก็เป็นทาตหมด ปลามันไม่กระทำเพราะมันมีสัญชาตญาณอยู่ญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติมันจําได้หมายรู้ว่าต้องทวนกระแสนี่คือสัญชาตญาณเด็กๆทุกคนนี่มีคุณธรรมอยู่แล้วไม่ต้องสอนนะแต่ตอนนี้มันไปสอนเรื่องวิชาบวกด้วยโลภโลภโกดหลงเนี่ยคุณธรรมมันหายไปคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติ ไก่มันออกไข่มันยังรู้จักฟักไข่เป็นตัวปุ๊บก็เอาลูกมันมาเลี้ยงโตปุ๊บมันก็รู้จักวางแต่นี้เด็กสาวคนหนึ่งคลอดลูกมาเอาไปทิ้งที่สะพานลอยอยู่กรุงเทพเห็นไหมไก่มันยังไม่ทําเลยทําไมคนทําถ้าคนจริงๆไม่ทําสัตว์เดรัจฉานยังไม่ทําเลยอันนี้เรียกว่าสัตว์นรกคือความรู้ผิดไงไปเลี้ยงทำไมเป็นพาร์ละเอาไปทิ้งเลย โลกมันเปลี่ยนนะน่ากลัวมากตอนนี้เปรตอสูรกายอยู่ในร่างมนุษย์เทพเทวดาก็อยู่ในร่างมนุษย์พระอริยะก็ลงมาล่างมนุษย์จิตกำลังมาต่อยอดอเจ้ากรรมนายเวรก็มาถ่วงไม่ต้องรอชาตินะเนี่ยเป็นยุคที่พ่กครูว่าสุดยอดยุคนี้สุดยอดนะโดยเฉพาะจิตที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยรีบใช้โอกาสนี้ต่อยอดตัวเองนะ วันนั้นก่อนมันพูดวันที่ก่อนก่อนนี่พูดว่าไม่ใช่หลายๆปีมีครั้งหลายหลายชาติมีครั้งมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกในจักรวาล น, นะพาธิ์ก็รอยอยู่นะตัวพาธิดร้อนขึ้นไม่ใช่แค่ทำให้โลกร้อนตัวพาธิดก็ร้อนขึ้นนะพราครูนี่อยู่กับธรรมชาติพรอครูตอนเช้าเดินแล้วก็เพ่งดวงอาทิตย์ตอนนี้พระครูเพ่งไม่ได้ นะนะธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นเราสัมผัสได้เพราะจิตเรามันนิ่งแล้วก็มองเห็นหมดนะก็เห็นหมดแหละก็เห็นก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเราเปลี่ยนโลกจักรวาลไม่ได้เปลี่ยนกรรมไม่ได้เราก็ทำหน้าที่เราเท่าที่เราทำได้นะเพราะครูออกมาทาหน้าที่ไม่ไม่คาดหวังอะไรนะถ้าเราหวังเราจะผิดหวังนะเด็ก 7-800 รอคนนี่ทีละรุ่นทีรุ่นที่ศูนย์เราเนี่ย เพราะครูไม่ได้รู้จากชื่อใครเป็นใครพ่อแม่เป็นใครไม่ต้องรู้เพราะครูให้ทุกวันเขาดีขึ้นอนุโมธนาสาธุเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราหวังว่าเขาจะดีขึ้นเรามีอามิตรแล้วนะถ้าเขาดีขึ้นเราดีใจถ้าเขาไม่ดีขึ้นเราก็เสียใจนะการให้ทานไม่มีอามิตรทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสุญญาตาทานทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ตอนนี้เราเลือกไอ้ให้มันเป็นลูกหลานเราเราดีใจอันนี้นไม่ใช่ทาน อันนั้นคือกิเลสคนนี้ฉันเก็บมันฉันไม่ให้นะอันนั้นยังมีเลือกที่รักมากที่จังไม่ใช่สุญญาตาทานสุญญาทาทานคือทานซึ่งไม่มีพลับูให้สักตวว่าจาคะสลัดออกบุญคือเบาบาปคือหนักให้แล้วก็จบนเนี่ยธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทานศีลภาวนาคือหน้าที่เราทางประการพ้นทุกเนียง่ายนิดเดียวทำสามอย่าง ก็แปลออกมาว่าทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสกว่าจะเรียนจบอนุบาลจะถึงปริญญาตรีโทเอกกี่วิชาวิชาท่องใจท่องมาเวียนก็ทุกออกมาทํางานก็ทุกอีกมันจะตายก็ทุกอีกตายไม่ลงยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ยังทุ่มเทตลอดชีวิตแต่วิชาพ้นทุกแค่สามอย่างแค่ทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทําไม่ค่อยได้กันเพราะเราไม่เคยเรียนรู้ เกิดมาไม่มีใครสอนเราเลยก็เรียนภาษาวิชาพุทธดูท่องจำศีลห้ามีอะไรพุทธประวัติแล้วไปสอบให้มันผ่านเฉยๆโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นเรามีบุญเก่าแล้วล่ละเราต้องได้มานั่งอยู่ที่นี่นะกุศลที่เราฝึกมาหลายชาติเนี่ยส่งผลให้เรามีอารมณ์ที่จะฝ่ายหาสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีตรงนี้นีย่ยุคนี้ไม่มีทางย4บชั่วโมงของเราเนี่ยแก้ปัญหา เกมต่อสู้เพื่อเพิ่ม GDP เนี่ย2ี่ชั่วโมงยังไม่ทันยังไม่พอเลยลเราจะเวลาที่ไหนมาคิดเรื่องนี้เรามีบุญแน่นอนแล้วก็มากด้วยนะแต่ก็ไม่อย่าประมาทนะเราก็มีกรรมฝ่ายลบเหมือนกันเราถึงได้มาเกิดอีกเรามีสองด้านไม่ละเว้นแม้กระทั่งเจ้าชายศิทิธรรเนะพระองค์ก็ต้องเกิดมาต้องใช้นี่กรรมก็มาแต่งงานเห็นหมเออเพราะมันเป็นบุญร่วมาะไรมานะนะ ถามว่าพระ อ, องค์เดินออกจากพระราชวังนี่ในวังนี่มีใครชอบสักคนหนึ่งไหมไม่ชอบไม่ชอบสักคนเลยอยากให้เป็นกษัตริย์นะแต่พระ อ, องค์ยืนหยัดไงแล้วสุดท้ายพระ อ, องค์ก็บรรลุธรรมไปสแสวงหาโมฆะธรรมนะพระ อ, องค์ก็กลับมาชี้ทางพ้นทุกข์ให้คนที่พระ อ, องค์รักพระ อ, องค์ไม่ได้ทิ้งนะพระ อ, องค์วางชั่วข่าวนะแต่ถ้าขืนกอดคอกัน ใครเคยเขียนสกะสะบ้างปีใหม่นะด้วยรักและผูกพันทั้งผูกทั้งพันกลัวมันหลุดใส่กาวเยี่อห่อรักไปด้วยแล้วมันจะไปไหนนะ่ะมันก็ข้ามภพข้ามชาติไงชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชาติหนา้าเธอเลี้ยงฉันแล้วเมื่อไหร่มันจะจบนะเมื่อไหร่มันจะจบครับก็อันนี้เป็นเก็ดเล็กเกตน้อยนะเช้านี้ก็มีโอกาสแบ่งปันก็ ได้เวลาพอดีนะแล้วก็เตรียมตัว